สวัสดีครับพี่น้องครับนี่ก็เสียงจากสีบ่บาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู ต, ตอนที่หนึ่งร้อยสิบสี่นะครับเกี่ยวข้องกับชีวิตคริสเตียนเรื่องการอธิษฐานแบบพระเยซูเพี่น้อครับพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมวัตรคิวบทที่หกนะครับข้อที่เก้าจนถึงข้อที่สิบห้านะครับแต่เราจะแบ่งนะครับเป็นประมาณสามวันนะครับวัตรคิวบทที่หก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 ขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทําผิดต่อข้าพระองค์นั้นจะขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชคำนาและฤเษีและพาชิริเป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิจอาเมน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 แต่ว่าให้เราจับหลักการของการอธิษฐานนี้ไว้นะครับส่วนประกอบของการอธิษฐานในตัวอย่างคาอธิษฐานของพระเยซูให้เรานําไปจะปฏิบัติกับการอธิษฐานนั้นอย่าลืมนะครับมีไว้ไม่ใช่เพื่อให้พระเจ้าทําตามความปรารถนาของเราหรือบางคนอธิษฐานใช้การอธิษฐานบังคับลงทําตามสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ แต่ว่าเราจะต้องอธิษฐานภายใต้ส่วนประกอบหรือองค์ประกอบหกอย่างดังต่อไปนี้องค์ประกอบแรกครับก็คือจะต้องมีการนมัส ก, การพระเจ้านะครับมีการนมัส ก, การพระเจ้ามีการถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับเริ่มต้นอย่างนี้องค์ประกอบที่สองก็คืออธิษฐานให้น้ำพระทัยของพระเจ้านั้นได้เกิดขึ้นในชีวิตของเรา นะครับให้หน้มพระทยของพระองค์ได้สำเร็จในชีวิตของเราอันที่สามครับองค์ประกอบที่สามเราจะต้องอธิษฐานอ้อนวอนทูลขอสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของเราองค์ประกอบที่สี่ครับอ้อนวอนทูลขอความต้องการฝ่ายวิญญาณที่นี่เราเห็นนะครับว่าเป็นเรื่องของการยกโทษให้อภัยบา การที่เราทั้งหลายจะไม่ตกอยู่ในการทดลองฝ่ายวิญญาณและสุดท้ายครับองค์ประกอบที่ห้าก็คือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องครับถ้าองค์ประกอบนี้ทําให้เราต้องจดจําไว้นะครับจดจําง่ายๆครับคาอิษฐานั้นเหมือนแซนวิชครับนะครับขนมปังข้างบนและข้างล่างก็คือการ สวายการสันเสริญการนมันการพระเจ้าสวาเกียรติพระเจ้านะครับข้อที่สองสามสี่ข้อที่สามอยู่ตรงกลางสุดนะครับเป็นความจําเป็นฝ่ายร่างกายข้อที่สี่เป็นการปัญญจำเป็นฝ่ายจิตวิญญาณถัดขึ้นมาข้อที่สองก็คือเราจะต้องอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับพระเจ้า ก็ให้เราอาธิษฐานทูลขอความจำเป็นในแต่ละวันทั้งฝ่ายร่างกายต่อด้วยจิตอินทรีย์ครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นคำอธิษฐานตามแบบอย่างของพระเยซูแต่สิ่งที่น่าสังเกตนะครับก็คือไม่ใช่อธิษฐานสําหรับข้าพเจ้าอย่างเดียวแต่เป็นข้าพระองค์ทั้งหลายนะครับเป็นข้าพระองค์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นการอาธิษฐานนี่เป็นอธิษฐานส่วนตัวแต่ส่วนรวมครับ แปลว่าอะไรครับไอ้ฐานส่วนตัวแต่ส่วนรวมหมายความว่าเวลาอาธิษฐานนั้นก็คือเราอาธิษฐานเผื่อซึ้งกันและการด้วยนะครับความหมายอยู่ตรงนี้ครับเปรีไม่ได้หมายความว่าจะต้องเราจดจําท่องเป็นบทสวด น, นะครับในข้อที่เก้านะครับจงอธิษฐานตามอย่างนี้นะครับไม่ได้แปลว่าจงอธิษฐานตามคําเหล่านี้นั่นแสดงว่าคําต่างๆนะครับ ไม่ใช่เป็นเหมือนกับบทสวดที่เป็นคำศัพท์สิษย์นะจะตกหล่นไม่ได้เลยแต่ว่าคำนั้นมีความสำคัญในแง่ของความหมายครับเพราะฉะนั้นเราจะมาดูความหมายนะครับว่าความหมายที่เบียซูปรารถนาแห่เราเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการอธิษฐานซึ่งเป็นหัวใจหลักๆในข้อที่เก้านะครับท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ พี่น้องครับเราเห็นสามประเด็นนะครับในวลีแรกข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพกลงทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ประเด็นแรกนะครับก็คือคําว่าข้าแต่นะครับหรือคําว่าขอให้พระนามเป็นที่เคารพสักการะนั่นคือแสดงถึงการนมัสการพระเจ้าการสรรเสริญพระเจ้าการสวาจเกียติพระเจ้าการเคารพย่ำเกรงนะครับลบนอกต่อพระเจ้า ยอมรับว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี่คือประเด็นแรกครับประเด็นที่สองนะครับก็คือว่าคำว่าข้ะบิดาข้ะบิดานั้นหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ขอกับผู้ที่กําลังสระความคำอธิษฐานนั่นคือพระเจ้าครับพระเจ้าทรงเป็นข้ะบิดาของเราชาวยิวนั้นไม่กล้าที่จะเรียกข้ะบิดานะครับ ไม่กล้าเรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาแต่ค่อยเตียนเราเรียกพระเจ้าว่าเป็นพระบิดาได้เพราะว่าพระเยซูสอนให้เราเรียกพระเจ้าว่าเป็นพระบิดาพี่น้องครับนี่คือความสัมพันธ์ที่สนิทสนมเป็นความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่มากอาการที่สองก็คือว่าพระเยซูกำลังสอนว่านอกจากพระเจ้าเป็นพระบิดาของเราแล้วบรรดาพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ติดตามพระเยซูนั้นเป็นพี่น้องชายหญิง องการอะกันเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นคาว่าค่าพระองค์ทั้งหลายครับภาษาอังกฤษเรียว่า us นะครับอนะครับหรือ b นะครับแสดงว่าเราทั้งหลายซึ่งหมายถึงบรรดาผู้เชื่อทุกคนในทุกยุคทุกสมัยนะครับําว่าผู้ทรงสถิตในฟ้าสวรรค์เป็นคาประเด็นที่สามครับก็คือ นั่ถึงสถานที่ที่เป็นพระที่นั่งของพระเจ้าที่ประทับของพระเจ้าและเป็นชื่อเดียวกันกับคำว่าฟ้าสวรรค์ที่อยู่ในพระธรรมชดัดดดีบทที่หนึ่งร้อยสามข้อสิบเก้านะครับผมอยากให้ฟังนะครับดุดีบทที่หนึ่งร้อยสามข้อสิบเก้าพระเจ้าทรงสำระนาบันลังของพระองค์ไว้ในฟ้าสวรรค์และราชนาจักรของพระองค์ครองทุกสิ่งอยู่เห็นไหมครับที่น้องกับพระเจ้าของเรานี่เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดครับ แต่ในขณะที่เราซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นเรานั้นมีความสัมพันธ์กับพระองค์เป็นการส่วนตัวและส่วนรวมแล้วทั้งหลายซึ่งเป็นพี่น้องกันนั้นเรามีพระบิดาองค์เดียวกันเรามีคําอธิษฐานที่ทูลขอต่อพระบิดาองค์เดียวกันเรามีพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และพระงสถิตอยู่ใน ส, สวรรค์ที่พระองค์ทรงสร้างและราชันจักรของพระองค์นั้นครอบครองทุกสิ่งอยู่ รทรงชมสถาน า, าบรรลังขอ ง, งเพื่อนวิเนชวันคือนะครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระ ล, ลักษณะของพระเจ้าพระราชมีภาพของพระเจ้าครับทาอธิษฐานต่อมาก็คือขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะรูปแบบการอธิษฐานในในตอนในช่วงต้นนี้ครับอย่างที่ผมเคยได้เรียนว่าไม่เหมือนแซนด์วิชนะครับก็คือยังคงเป็นรูปแบบของการนมัสการและก็จบนะครับเริ่มต้นเป็นการนมัสการจบ ด้วยกันนาาั่การเช่นเดียวกันในพระองค์ีชื่อของบุคคลมักจะบ่งบอกถึงบางสิ่งบางอย่างนะครับของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของคนคนนั้นหรือบางครั้งนั้นก็บ่งบอกถึงลักษณะทางจักรรคติหรือบุคลิกภาพของคนคนนั้นเทซูตักกับทุลิศติด ต, ตามพระองค์ว่าเมื่อท่านอิอถานควรจะอ้างถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและให้ความเคารพตกนอบอย่าำเกรงต่อพระนามของพระเจ้านี่เป็นความหมายคําว่าก า, ารเคารพศักกา ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะเพราะฉะนั้นการเคารพสักการะนั้นแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและแสดงให้เห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้าบุคลิกลักษณะของพระองค์ที่เราสมควรจะต้องเคารพสักการะเปเยซู ป, ปัฒนาให้เราจดจําว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระองค์เดียวและสมควรที่เรางหลายจะน้ำสการและสรรเสริญเป็นอย่างยิ่งกับ นะครับเมื่อเราอธิษฐานเราควรจะเอ่ยพระนามของพระองค์ในการนมัสการพระองค์และหลายๆคนอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเยซูในความเห็นของผมส่วนตัวนะครับก็คือว่าเราควรอธิฐานว่าข้าแต่พระบิดานะครับแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายพระนามต่างๆของพระเจ้านั้นเราจะต้องเรียกให้ถูกครับและพระภาคของพระเจ้าเช่นเดียวกันครับเราก็จะต้องเรียกให้ถูกต้อง เราควรจะเอ่ยพระนามของพระเจ้าในการนมัสการพระองค์นะครับเราควรจะมีท่าทีที่สแสดงออกทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณในการที่เราจะอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยพี่น้องทุกคนนะครับจะช่วยขับพวกตัวขับพระเจ้าด้วยขอทรงโปรดอวยพระพรให้พวกเราทั้งหลายทุกคนที่จะได้รับการทรงนำของพระเจ้าในการอธิษฐานทุกๆครั้งทุกๆวันทุกๆเวลาอาเมน